ลาพระมหาบุญและเดินไปยังรถจี๊ปที่จอดอยู่หลังกุฏิครั้นเห็นรถแท็กซี่แล่นเข้าประตูวัดมาก็ภาวนาขอให้เป็นรถของท่านพระครูรถแท็กซี่จอดห่างจากรถจี๊ปราวห้าว่านายวิโ ก, โก้ลงมาเปิดประตูให้ผู้เป็นอาจารย์นายตํารวจดีใจนักรีบเดินเข้าไปคุกเข่าลงกับพื้น แล้วกราบท่านสามครั้งผมนึกว่าจะไม่พบหลวงพ่อเสร็จแล้วผมกำลังจะกลับอยู่พอดีพูดอย่างปิติต้องได้พบสิถ้าตั้งใจมาพบก็ต้องได้พบวิโกโก้จำได้ไหมนี่ใครท่านถามสิชาวต่างชาตินายวิกโก้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 ที่ทำให้ผมก้าวหน้าถ้าไม่ได้เป็นลูกศิษย์สมภานวัดป่ามะม่วงป่านนี้คงไม่ไปถึงไหนเขายกความดีให้ท่านพระครูท่านดีด้วยตัวท่านเองตังหากทำกรรมแทนกันได้หรือเอาละอย่าคุยกันตรงนี้เลยเข้าไปในกุฏิดีกว่า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 นายตำรวจตอบบุรุษ จ, จากต่างแดนจึงกราบท่านพระครูสามครั้งแล้วเดินอย่างเร่งรีบไปยังสำนักชีนายวิกโก้ลุกออกไปแล้วสารวัตรชนจึงกราบเรียนท่านพระครูว่าผมได้รับคำสั่งให้ย้ายไปรับตำแหน่งที่อาเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงมากราบลาหลวงพ่อครับอ๋อจะเดินทางเมื่อไรละ่ะ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 นายวิกโก้อุ้มคิมน้อยเข้ามาตามด้วยนางลิลลี่และเด็กชายขาวนางลิลลี่กราบท่านพระครูสามครั้งแล้วไหว้พันตารวจโทชนลิลลี่ครับพันยาผมครับนายวิกโก้แนะนำเอา้านี่คนไทยทำไมถึงชื่อเป็นฝรั่งนายตารวจพิสง์ไม่ใช่คนไทยครับเป็นคนฟิลิปปิน์แต่มีเชื้อสายจีน ชายหนุ่มอธิบายเห็นนายตำรวจยังไม่คลายสงสัยท่านพระครูจึงพูดขึ้นว่าเรื่องมันแปลกนะท่านสารวัตรแปลกแต่จริงท่านยังจำได้หรือเปล่าตอนที่โบสถ์เก่าพังแล้วอาตมาพบจารึกใต้พื้นโบสถ์ในจารึกบอกว่าโบสถ์หลังเก่าสร้างโดยพ่อค้าจีน ชื่อกิมเหลียงกับกิมจจอที่เข้ามาค้าขายกับเมืองไทยในสมัยสมเด็จพระนารายณ์แล้วเขาก็ขอให้เพื่อนชาวฮอลันดาไปทูลขอพระพุทธรูปนาคปรกสององค์มาประดิษฐานไว้ชาวฮอลันดาคนนั้นก็คือวิกโกคนนี้ เรื่องการเวียนไหวาตายเกิดนี่มันมีจริงนะใครไม่เชื่อต้องมาลองปฏิบัติกรรมฐานวิกโก้เข้าปฏิบัติจนสามารถพิสูจน์ได้ตรงกับที่อาตมารู้จริงไหมวิกโกจริงครับผมก็สงสัยว่าเวลาที่ผมเห็นพระพุทธรูปสองอ ง, งนั้น ทำไมถึงมีอาการแปลกๆรู้สึกปิติจนน้ำตาไหลแล้วก็รู้สึกผูกพันมากมาครั้งนี้ก็เลยนั่งกรรมฐานตรวจสอบดูจึงได้รู้ที่มาที่ไปตรงกับที่หลวงพ่อท่านรู้กรรมฐานทำให้สามารถระลึกชาติได้จริงอย่างที่หลวงพ่อว่าผมอัศจรรย์ใจเหลือเกินไม่นึกไม่ฝันว่าจะมาได้ของดีในเมืองไทยนั่นสิ คนไทยเสียอีกที่ไม่รู้ว่าเมืองไทยมีของดีอะไรท่านพูดเพราะรู้ว่าพันตารวจโทชนจินตนาก็ยังไม่รู้ว่าของดีนั้นคืออะไรแม้เขาจะเป็นคนดีแต่ก็ยังไม่รู้จักของดีของดีอะไรครับนายตารวจถามแบบเดียวกับคนไทยทั่วไปถามและท่านพระครู ก็ฟังมาจนชาชินอาตมาจะไม่บอกต้องให้มาเข้ากรรมฐานสักเจ็ดวันแล้วจะรู้เองต้องมาเข้ากรรมฐานจึงจะรู้จักของดีที่ว่านี้ท่านย้าผมเสียดายที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อมานานแต่ไม่มีเวลามาเข้ากรรมฐานเลยอย่างเก่ง ก็แค่มารักษาอุโบสถในวันโกนวันพระเป็นตำรวจนี้หาเวลายากครับหลวงพ่อสู้เป็นครูบาอาจารย์ไม่ได้ปิดภาคเรียนก็พากันมาเข้ากรรมฐ า, านเป็นตำรวจนี้เสียเปรียบไม่เป็นไรยรุอ ก, กเกษียณแล้วท่านจะมีเวลามาปฏิบัติแล้วก็จะรู้ในตอนนั้นอดใจรออีกหน่อยท่านเป็นคนดี ยังไงยังไงก็ต้องได้พบของดีวันยังค่ำตอนนี้ก็ทำหน้าที่รับใช้ชาติไปก่อนท่านพระครูพูดปลอบใจในตำรวจครับผมก็คิดอย่างนั้นหลวงพ่อพูดอย่างนี้ทำให้ผมมีกำลังใจอย่างน้อยก็รู้ว่าผมจะไม่ไปตายเสียที่อำเภอชะอวดเพราะที่นั่นผอกคเยอะเหลือเกิน เขาหมายถึงผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เพราะอย่างนี้แหละอาตมาถึงต้องไปส่งท่านให้ถึงที่ท่านไม่ถึงกับจะต้องเอาชีวิตไปทิ้งที่นั่นหรอกแต่ต้องประสบความยุ่งยากหากอาตมาไม่ไปช่วยแก้ปัญหาให้ผมต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาที่จริง ผมก็เกรงใจไม่อยากรบกวนเพราะหลวงพ่อมีงานมากต้องรับแขกต้องสอนกรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสุขภาพผมทราบจากท่านผู้พิพากษาว่าหลวงพ่อเพิ่งหายจากโรคลำไส้เน่าไม่ต้องเกรงใจอาตมาหรอกอะไรที่ช่วยกันได้ก็ต้องช่วยกันไปขณะที่สนทนากันท่านพระครูรู้ว่านางลินลี่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 สมัยนี้จิตวิญญาณมันหดหายไปเพราะคนไปให้ความสำคัญกับวัตถุกันมากขึ้นต่อไปในอนาคตจะยิ่งแย่กว่านี้อ้าวนั่นนายห้างทองหยดนี่ท่านมองไปยังบุรุษหนึ่งซึ่งกำลังเดินเข้ามาในกุฏิ นายทองหยดชลาธรกราบท่านพระครูสามครั้งแล้วไหว้พันตำรดทโทชนนายวิกโก้ไหว้นายทองหยดแม้ไม่รู้จักกันมาก่อนนายห้างมายังไงล่ะนี่วิกโก้นายห้างทองหยดนี่แหละที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการสร้างโบสหลังใหม่ กำลังคุยกันเรื่องการสร้างโบสถ์นายห้างก็มาพอดีท่านทักทายพร้อมกับแนะนำลูกศิษย์ให้รู้จักนายทองหยดคงเป็นด้วยเหตุนี้กระมังผมถึงร้อนอกร้อนใจอยู่บ้านไม่ได้ต้องมาหาหลวงพ่อสงสัยหลวงพ่อดนจิต ด, ดนใจให้ผมมาร่วมวงสนทนาด้วยท่านพระครูปแปลกใจที่เขาพูดเช่นนี้จะต้องมีอะไร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 ไม่มีศีรษะท่านกระพริบตาหลายครั้งด้วยคิดว่าอาจตาฝาดไปแต่ภาพบุรุษตรงหน้าก็ยังคงปราศจากศีรษะท่านจึงจัดการต่อให้เขาด้วยการบริกรรมในใจว่าสัมปติชามิบริกรรมอยู่นานกว่าศีรษะของเขาจะมาปรากฏดังเดิมเห็นกริยาของท่านนายทองหยด จึงถามด้วยความแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นหรือครับหลวงพ่อจ้องหน้าผมแบบนี้แสดงว่าต้องมีอะไรผิดปกตินายห้างกำลังมีเคราะห์อาตมาเห็นนายห้างหัวขาดแต่ก็ต่อให้แล้วจำไว้นะอย่าออกจากบ้านไปไหนเป็นอันขาดให้อยู่ในบ้านจนครบเจ็ดวัน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 ผมก็ปวดขาให้ผมสวดมนต์ไหว้พระอยู่กับบ้านดีกว่าเขาปฏิเสธอย่างนิ่มนวลตามใจแต่ต้องเชื่ออาตมานะอย่าออกจากบ้านแล้วก็อย่าขับรถมิฉนั้นอาจจะถึงตายเจ้ากมนายเวนเข้ามาตามทวงหนี้แล้วขอให้เชื่ออาตมานะ ครับผมเชื่อหลวงพ่อและจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดผมยังไม่อยากตายครับคนเป็นในห้างพูดอย่างรักตัวกลัวตายใครๆก็ไม่อยากตายทั้งนั้นแหละแต่เมื่อถึงเวลาที่จะต้องตายก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เกิดมาแล้วก็ต้องตายทุกคนไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าจริงไหมท่านสารวัตร จริงครับหลวงพ่อแต่ถึงจะรู้ว่าทุกคนต้องตายก็ยังกลัวตายกันผมเองก็กลัวตายครับลูกสาวคนเล็กผมเพิ่งอายุได้ขวบเดียวไม่รู้หลงมาได้ยังไงคนโตตั้งส9เกแล้วท่านสารวัตรมีลูกกี่คนครับคนถามคือนายวิกโก้แปดคนคนโตอายุส9เกคนเล็กอายุขวบเดียว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 เรื่องอะไรนะนายทองหยดถามด้วยคิดว่าฟังผิดเรื่องผีครับคนตะวันตกเขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีผิดกับคนตะวันออกโดยเฉพาะคนไทยภาคเหนือที่เขาเชื่อเรื่องผีลินลี่เขาเลยเสนอโครงการไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อขอทุนมาทาวิจัยโชคดีที่มหาวิทยาลัยเขาอนุมัติทุนให้เราสองคนเลยได้มาด้วยกัน ที่วัดป่ามะม่วงก็มีผีนะถ้าเขาสนใจให้ไปสัมภาษณ์แม่ทีเขียวสิเพราะแกเคยสอนกรรมฐานให้ผีด้วยท่านหมายถึงแม่กาหลงหรือครับน่าสนใจมากผมจะช่วยเป็นล่ามให้เขาลินลี่คงดีใจที่จะได้ข้อมูลจากวัดป่ามะม่วงด้วยเราสองคนโชคดีจริงๆ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 ผมจะให้รถมารับหลวงพ่อไปขึ้นรถไฟที่หัวลำโพงนะครับไม่ต้องหรอกท่านสารวัตรอาตมาไปเองได้รถไฟออกกี่โมงละ่ะหกโมงเย็นครับถ้าเช่นนั้นผมจะรอหลวงพ่ออยู่ที่สถานีหัวลำโพงนะครับตกลงอาตมาจะไปถึงที่นั่น ให้ทันก่อนเวลารถออกนายตำรวจกราบผู้เป็นอาจารย์สามครั้งแล้วลุกออกไปนายวิโก้ลุกตามไปส่งเขาถึงรถจี๊ปซึ่งจอดอยู่หลังกุฏิไหว้ผู้อาวุโสกว่าอย่างนอบน้อมขอให้ท่านสารวัตรจงเดินทางด้วยความปลอดภัยและสนุกกับงานนะครับเข้าอวยชัยให้พร นายวิกโก้เดินกลับมาที่กุตินายทองหยดก็ลาท่านพระครูกลับบ้างบุรุษนั้นลุกออกไปแล้วท่านพระครูจึงพูดขึ้นว่าสองคนนี้กำลังมีเคราะห์แต่เป็นเคราะห์คนละอย่างหลวงพ่อจะต้องช่วยเขาทั้งสองคนรู้ไหมว่าทำไมหลวงพ่อต้องไปส่งสารวัตรชน ไม่ทราบครับชายหนุ่มตอบทำไมถึงไม่ทราบท่านตั้งใจยุ่าลูกศิษย์ชาวต่างชาติเพราะผมไม่ได้เห็นหนออย่างหลวงพ่อเนี่ยครับทำไมถึงไม่ได้ เพราะปัญญาบารมีที่ผมสั่งสมอบรมมายัางไม่เพียงพอที่จะได้กำลังครับถ้าอย่างนั้นก็ต้องเพียรพยายามให้มากวันหนึ่งจะได้แต่ผมไม่อยากได้หรอกครับหลวงพ่อนี่ผมพูดด้วยความสัตย์จริงนะครับทําไมละ่ะใครๆเขาก็อยากได้กันทั้งนั้นเพราะผมไม่อยากลําบากอย่างหลวงพ่อนะครับ หลวงพ่อต้องช่วยคนโน้นคนนี้อยู่ตลอดเวลาจนไม่มีเวลาพักผ่อนผมมีครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบถ้าเป็นโสดอย่างหลวงพ่อก็คงอยากได้เพราะไม่ต้องเอาเวลาไปดูแลภันยาและลูกทำไมหลวงพ่อต้องไปส่งท่านสารวัตรครับเพราะต้องไปช่วยเขานะสิพวกตำรวจที่อยู่เดิมเขาคิดไม่ซื่อพากันยักยอกอาวุธปืนของหลวง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 เคยสร้างเวรสร้างกรรมอะไรไว้เพราะแกไม่เคยมาปฏิบัติกรรมฐานแต่ถ้าปฏิบัติก็จะรู้แล้วเขาทำกรรมอะไรไว้ครับข้าเต่านะสิเรื่องนี้เกิดมาตั้งสิบกว่าปีแล้วสมัยนั้นแกไปมีเมียน้อยอยู่ที่ค่ายบางระจัน โดยที่เมียแกไม่รู้จนป่านนี้เมียแกก็ยังไม่รู้ทีนี้พอแกไปหาเมียน้อยก็จะสั่งลูกน้องให้แกงเต่ามาให้กินพวกลูกน้องก็จะไปซื้อเต่ามาจากตลาดแล้วก็เอาหินก้อนใหญ่ๆมาทุบให้กระดองมันแตกเต่ามันก็ตายอย่างทรมาน มันเลยอาคาดอันที่จริงกรรมไม่น่าจะตกมาถึงไายห้างเพราะแก่ไม่ได้เป็นคนฆ่าควรตกแก่ลูกน้องมากกว่าจริงไหมท่านทดสอบภูมิธรรมของสิทธิชาวต่างชาติตกที่ไหนห้างครับเพราะมโนกรรมและวจีกรรมเป็นของเขาแม้กายกรรม จะเป็นของลูกน้องพระพุทธองค์ตรัสสอนว่ามโนกรรมมีผลมีวิบากมากกว่ากายกรรมและวจีกรรมอันนี้มีพุทธพจน์รับรองนะครับมโนปุปพังขมารร ม, มามโนเสถามโนมยาหลวงพ่อทราบดีแต่ที่ถามเพราะต้องการลองใจผมใช่ไหมครับชายหนุ่มรู้เท่าทัาน อ้าวนี่วิกโกได้เห็นหนอแล้วนี่นาะก็ไหนบอกว่าไม่อยากได้ไงล่ะท่านเยายิมยิม